50 t languages. 36. Muvtaru. การขนส่งมวลชน Sarvajanika sarige vyavaste. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ Inli bus nildana yelli de? รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ น, กกนักเรีกยาวบัสฮกุ ต, ตเ ด, ดิฉันต้องไปสายไหนคะนนูยวบัสตกดูกลบกดิฉันต้องต่อรถไหมคะนนูบัสกันูบัลสบเบีดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ นานู้ัสกันนูเยลลิบัดลาอีซเบกุตัวรถราคาเท่าไหรคะคุณตัวติเกติกเกเยชตูเบเลกี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะน agara นยรศักย์มุ่งหน้าเยสตูนิลดานากรูบรุตตเวคุณต้องลงรถที่นี่ค่ะนี่วูเยลลิอเลียบก คุณต้องลงข้างหลังค่ะนิวฮินดูกเดินดาอิเลยบกุอีอกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะมุนดินาราลิลูอินโนไอรุนิมิชกัลลีบรุตเตเดอีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะมุนดินาทรมอินโนฮัตโตนิมิชกาลลีบรุตเตเด อีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะมุนตินาบัสอิ น, นูฮันตินาอิโนิมิชาการ ล, ลีบรุตเตเดรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะโคนเนียไรลูเยชตูฮุตติกฮอร์ดุตเตเดรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะโคนเนีแตรมเยสตูฮุตติกฮอร์ดุตเตเด รถเมเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะคุณยาบัสเอชต้อตติเกหรือตเดคุณมีตั๋วรถไหมคะนิมมบลีวันดุติเกตอิดเยตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มี र र ตัว๋วรถค่ะวันดุติเกะตุอลละนันนะบลีติเกตุอลละ งั้นคุณต้องเสียค่าปราบาับค่ะหากิเดรนีวูดันดะวันโนเทรเบกู